ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้ณพุทธสถานสันติอโศกต้องขออภัยที่ระบบบันทึกเสียงบกพร่องแต่เนื่องจากเนื้อหาสารดีจึงได้จัดทำขึ้นเผยแพร่ขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ตอนที่เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มหน้าเจ็สิบขึ้นหัวข้อ 5.2 พวกขัดขืนหรือว่าปฏิเสธนะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า g a t i v ิว m จซ์มจริงๆมันก็แบบเนกา t ี v นั่นเองนะนี่จะเรียกว่าพวกดื้อก็ได้พวกนี้หัวแข็งว่ายากสอนยากมานะทิฐิแรง เป็นจิตพรมระดับนรกเอ๊สำนวนมันขัดแย้งกันนะเป็นจิตพรมระดับนรกได้ไงเนี่ยถือตัวถือตนจัดลักษณะของการขัดขืนหรือปฏิเสธก็หมายความถึงการต่อต้านนั่นเองอยังเป็นจิตที่ต้านทานต่อสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือตนเรียกว่าเรื่องยอมกันง่ายๆเป็นไม่มี แต่ถ้าหากจะยอมก็ต้องทำท่าทีให้รู้ว่ายอมเหมือนกันแต่ยอมแบบมีศักดิ์ศรีมีมาศ อ, อันนี้คงจะรู้นะเท่ากับเรื่องนี้เป็นเรื่องของมานาทิฐิโดยตรงแหละแต่ตรงเมื่อกี้ที่เขาใช้ค ำ, คำว่าจิตพรมระดับนรกนะถือตัวถือตนจัดจริงๆจิตพรมนี่ดีหรือไม่ดีจิตพรมดีนะมีเมตตามีกรุณา แต่แต่ในที่น ok ине, ี ki, ke, um ke, ้เนี่ยเขาเาบอกว่าจิตพรมระดับมาโลกก็คงจะหมายความว่ามันยึดดีนั่นเองเข้าใจไหมยึดดีจนกระทั่งแบบว่ากลายเป็นยังไงอ่ะเอายึดตัวดีนั่นแหละเชื่อมั่นตัวเองถูกต้องเชื่อมั่นว่าอ่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรจะมีควรจะเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นถ้าไม่มีไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยอมนะจิตมันจะไม่ยอมเพราะฉนั้นมันก็เลยอาจจะดื้อออกมาน่าจะดื้อในลักษณะออกมาเป็นกายกรรมก็ตามนะออกมาทางาท่าทางบุคคลิกก็แล้วแต่นะหรือออกมาทางคําพูดก็แล้วแต่นะ่าจะให้เห็นว่า สมมุติว่าเนี่ยเรื่องนี้แบบเรารู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้เราไม่ยอมแต่บางครั้งมันจำนน่ะ น, นะถึงขั้นมายังไงก็ต้องยอมแต่ก็ยอมแบบนิดที่เรียกว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบมีสัตว์สีหรือว่ามีมากก็คือยังคงยอมแบบไม่ยอมนั่นแหละคือ <c ười> คนอื่นเขาดูก็รู้ว่ายอมแบบไม่ยอมซึ่งลังสีรัศธีมนจะออกมาให้เห็นเองในชีวิตประจวัน ใครเคยสังเกตบ้างว่าแม้แต่บนรถเมเราก็จะเห็นลักษณะขัดขืนอยู่ตลอดเวลาถ้ากระเป๋ารถพู้จาอ่อนหวานผู้โดยสารก็รู้สึกจะเชื่อฟังดีจะขอร้องให้ชิดในก็ง่ายแต่ถ้าหากใช้เสียงที่ทแสดงถึงอำนาจจะเห็นได้ว่าผู้โดยสารชักจะไม่ยอมละชักฮึดฮัดหรือไม่ก็ทำเฉย พราะต่างก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของใครหรือแค่กดกริง่งลงรถนานไปนิดรับรองได้แถมอีกป้าย <c oughs> คือรับรองได้ว่าต้องได้แถมอีกป้ายแงย่ๆเลย <c oughs> พวกกดกริ่งนานๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขับรถเขา <c oughs> เอาน่ไม่พอใจขึ้นมาก็ไม่ยอมขึ้นมาแต่จริงๆ อันนี้เอาเดี๋ยวอ่านต่อความดื้อด้านหรือความอวดดีจึงนับเป็นการนับเป็นกับดักใหญ่อันหนึ่งสําหรับพวกที่มีมา n นะทิฐิแรงลักษณะของการปฏิเสธหรือแข็งขือนั้นแบ่งการกระทําออกได้เป็น3อย่างอ๋อแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายต่อแต่จริงๆที่ตะกี้อาตมายกตัวอย่างคําที่เขาใช้ว่าพรหมระดับนรกเนี่ยจริงๆแล้วต้องหมายถึงยึดดีนะ ยึดดีไม่ใช่แค่อวดดีไม่ใช่แค่อะไรอะ่ะเอาตามใจตัวเองไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นยังไม่ใช่จิตพรหมมันจะต้องเป็นจิตที่มันมีเมตตาการุณาอยู่ด้วยแต่ว่ามันคิดว่าตัวเองทําดีทําถูกแล้วเ <c oughs> ชื่อว่าอย่างนั้นด้วยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเป็นศีลธล้วทำแล้วเป็นความถูกต้องแล้วถึงได้ยึดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าบางที บางครั้งบางคนทำไปเนี่ยโดยที่จะเอาตามใจตัวเองฉันคิดอย่างนี้อ่ฉันชอบอย่างนี้ฉันเชื่ออย่างนี้ฉันจะเอาตามที่ฉันเชื่อแล้วก็ยืดทิฐิแรงแล้วก็ดื้อด้านจะเอาตามใจตัวเองไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะที่จริงพวกนั้นจะไม่ใช่ถึงขั้นพรหมนะไอ้อย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นปุทุชนธรรมดาเนี่ยแหละกิเลสหนาหนักมากๆด้วยซ้าไป ไอ้นั่นมันอไอ้นั่นมันเป็นลักษณะของของคนเอาตามใจตัวเองธรรมดาเท่านั้นเองไม่ใช่ระดับพรหมเนี่ยอันนี้ก็ใช่ว่าพรหมระดับนรกจริงๆแล้วอาจารยทบอกมันขัดแย้งกันน่คำามันมันคนละอะไรอะ่ะคนละทิศคนละทางกันเลย อ, เอะไรนะอ เ, เออมันสุดคลั่วกัน ถ้าพร ม, มที่จะจะทำให้รู้สึกว่าต้องเดือดร้อนเนี่ยนะนรกเนี่ยคือเดือดร้อนก็คือนี่แหละอย่างที่จะมาบอกยึดดียึดดียึดดียึดดีดดดดแต่ยื้อไปล่ะสมมุตินะคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเลยก็ยึดดีอยู่คนเดียวงนั้นแหละคือคนอื่นเขาทําตามด้วยไม่ได้แล้วตัวเองเนี่ยยึดในสิ่งที่ถูกต้องอยกตัวอย่างว่าเอาคนเราไม่ควรควรจะงดเรื่องเสพติดให้โทษนะควรลด งดเล่าบุรีอ่หรือแม้แต่เราไล่ขึ้นมาจนถึงเนื้อสัตว์นะหรือว่าไล่ขึ้นมาจนเรียกว่าคนเราควรที่จะละอใยมุกใบมุกหอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าเราก็มีจิตดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยึดดีอย่างเงี้ยว่าไม่ควรละสิไม่ควรมีไม่ควรเป็นอย่างนั้นไม่ควรกินสูบดื่มเสบอย่างนั้นนะพอยึดแล้วปรากฏว่าบางทีคนในครอบครัว หรือเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเขายังติดอบายามุกอยูอ่เขาจะดูหนังฟังเพลงโลกโลกหรือว่าเขาจะแบบว่ากินสูบดื่มเสพแบบพวกโล ก, โลกแต่เราเองเราก็ยืดมันก็เทานี้แหละมันทุกข์อ่ะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เอาด้วยฮะ ม, มันทำใจไม่ได้มันทาใจไม่ได้ คือคือก็ไม่ได้ไปถึงกับไปขวางกั้นอะไรคนอื่นเขาน้าสมมุตินะว่าไม่ต้องไปรุนแรงอย่างนั้นก็ได้แต่ใจตัวเองมันมันมันผลักมันไม่ยอมรับมันรู้สึกว่าไม่ถูกไม่ถูกพวกนี้ไม่มีศีลพวกนี้ทาไม่ถูกต้องแล้วมันก็เลยย้อนกลับมาทำให้ทุกข์กับตัวเองทำให้ใจตัวเองเนี่ยเดือดร้อนมันวางไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยพรหมมันจะต้อง มีเมตตาการุณามุทิตาแล้วจ ะ, จะต้องมีอุเบกขาคือจะต้องวางให้ได้ด้วยแต่ถ้าพรมแบบมีนรกเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าอุเบกขาไม่ได้วางไม่ได้แล้วเมื่อวางไม่ได้ก็ทุกข์วันสังเกตไหมล่ะถ้าเป็นพรมเนี่ยจะต้องมีอุเบกขาลังเอาไว้ด้วยถ้าไม่มีอุเบกขาลังนะทุกๆคนแหละทุกๆนะุกลนะ์เพราะมันจะยึดดีแน่นอนเพราะจริงๆเราทําดีเราต้องยึดดีอยู่แล้ว โดยสัจจะใช่ไหมจะไม่ให้ยึดเร็วได้ไงจะไม่ให้ยึดชั่วได้ไงจะให้ยึดเฉยๆได้ไงมันยึดมันไปนยึดอย่างนั้นไม่ได้โลกก็พินานหมดตัวเราเองเราก็อยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ต้องมีอุเบกขาที่จะมาเป็นตัวที่ทําให้อยู่กับคนอื่นแล้วก็เออแม้ว่าคนอื่นเขาทําดีไม่ได้เราเองเราทําดีเราก็ทําดีของเราไปแล้วเราก็วางคนอื่นเขา เราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาอ่ะแม้เขายังเลวอยู่และจําเป็นต้องพบเห็นกันต้องเจอกันต้องทํางานด้วยกันเราก็วางเขาได้ใจเราก็ไม่ไปคิดเพ่งโทษหรือว่าไม่ไปคิดอาคติไม่ไปคิดดูหมิน่นไม่ไปคิดเหยียดหยามอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นพรมที่สบายขึ้นมาไม่ต้องเจอนรก เันถ้าพรมพ้มที่จะเจอนะเราก็คือมันขาดอุเบกขานั่นเอง อ, อันนี้เขาเขายายว่าจะมี3อย่างนะไอ้ความดืดด้านความอวดดีอะไรต่าง 5.2.1 พวกให้5าทำร้อยดูนะเป็นยังไงให้5จะทำร้อยพวกนี้พอให้เขียนแค่5ก็พานเขียนถึงร้อยก็ยอมทำตามเหมือนกันแต่ก็ให้รู้ในทีว่าชั้นเหนือกว่านะ จิตใจยังเป็นเด็กอยู่เพราะเด็กๆถ้าเราสังเกตให้ดีเวลาร้องไห้ถ้าสั่งให้หยุดกลับยิ่งร้องไห้เอที่จริงมันต่างกันนะมันไม่เหมือนกันทีเดียวล้ออ่ะสมมุติว่าให้ให้ทาแค่นี้นะแต่ว่าสมมุติว่าเนี่ยอ้าวให้ แค่กวาดพื้นก็พออันนี้กวาดพื้นเสร็จเช็ดพื้นให้เสร็จเรียบร้อยคือแถมให้ทําดีแถมให้อ่จริงๆมันดีไหมล่ะจริงจมันดีหรือเปล่าจริงๆมันดีะนะถ้าถ้าโดยจริงนะถ้าใจคนนั้นเนี่ยอะไรล่ะรู้ว่าเป็นการเสียสละเอามันดีจริงๆแต่ในกรณีเนี่ยหัวข้อเขาคือพวกขัดขืนพวกปฏิเสธพวกดื้อด้าน คือจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แบบเป็นจิตที่มันมันยึดดีแบบเสียสละจริงแต่จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับว่าเป็นการประชดประชันไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าอ่าแทนที่จะกวาดบ้านเนี่ยกวาดแล้วจริงๆคืออาจจะไม่อยากกวาดก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ทําให้มันเกินไปเลยเกินไปเหมือนกับว่าเพื่อที่จะอะไรอ่ะ ให้มันเว่อ ร, อร์ให้มันทำให้คนที่สั่งงานจะได้รู้สึกรู้สึกสะเทือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออันนี้เขายกตัวอย่างว่าเด็กร้องไห้ใช่มั้ยิ่งบอกให้หยุดเด็กว่ายิ่งร้องใหญ่อะไรอย่างนี้คือมันจะทำให้เกินเน่เกินกว่าที่เราต้องการเพราะอะไรเพอเราทำอะไรที่บางทีมันเกินหรือมันเวอร์กว่า ความต้องการของของเราเนี่ยบางทีคนที่สั่งหรือว่าคนที่บอกไปเนี่ยนะอาจจะรู้สึกไม่ชอบใจก็ได้ใช่ไหมรู้สึกไม่พอใจก็ได้เพราะว่าไอ้นี่ทําเกินคําสั่งมันมันมันเป็นมันเหมือนกับอย่างที่อาจมาบอกมันเรื่องอัตตา ม, มาณนะที่บางทีจะเอาชนะกันอย่างเป็นกินเลสมานณทิฐิอย่างหนึง่งหรืออีกตัวอย่างหนึง่งบอกว่าอย่าทำนะบงเล็บ ฉันจะทําใครจะทํำไม่นะก็ทํานองเนี้คือมันมันอันเนี้ยเขาใช้คําว่าแบบนิยติมันคือคือจริงๆนะจริงๆเราไม่อยากจะทําเข้าใจไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราดือ้อคือเราไม่อยากจะทําสิ่งนั้นน่ะแต่เมื่อใครยิ่งมาบอกให้เราทําเนี่ยใจจริงๆไม่อยากจะทํานะแต่มันเป็นเรื่องของการเอาชนะค้าคาร์เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องการให้เขาไม่พอใจเรารู้ว่าสมมุติว่าใครมาบอกให้เราทําอันนี้แต่ใจเราไม่อยากจะทำเนี่ยจริงๆเราต้องไม่ทําถ้าโดยโดยอ ะ, อะไรอะ่ะความเป็นไปของจิตเนี่ยมันจะต้องไม่ทำใช่ไหมเพราะใจไม่อยากจะทําแต่เมื่อเขาบอกให้เราช่วยทยําเงี้ยคล้ายๆกับว่าเราเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ในการที่ว่าจะต้องช่วยทําเพราะฉะนั้นเราก็ทํา แต่เราทำโดยที่ให้เขารู้ว่าเราทำโดยที่เราไม่พอใจทำโดยทาให้มันเวอร์เกินไปซะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้ให้คนที่มาบอกให้เราช่วยเนี่ยจะได้รู้สึกไม่พอใจซึ่งมันเป็นการมันเหมือนกับว่าสู้กับย้อนกับต้านกับอะไรเงี้ยเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สึกตัวว่าจริงๆแล้วไม่อยากทำ ก็นั่นแหละไม่ได้ทำตามคาสั่งหรือทำเกินคาสั่งนั่นมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวอัตามาณะทิฏฐินั่นแหละหรืออย่าพูดเรื่องนี้นะวงเล็บพานจะพูดไม่หยุดนะพานจะพูดไม่หยุดหย่อนอ่าหรือตัวอย่างเก่งจริงอดข้าวสามวันสิวงเล็บอดมันสักสิบวันเลย เสาบอมอสบายมากคือทมให้มันเกินน่ะรู้รู้ว่าว่าว่าจริงๆเขาอาจจะให้ทำแค่นี้แต่ทำเกินให้มันแบบให้มันสะใจให้มันแบบให้เขาได้รู้สึกไอคนที่มาบอกเราอย่างเงี้ยหรือคุณน่ะพูดทีไรมีเรื่องทุกทีระมัดระวังหน่อยสิวงเล็บรายนี้พอถูกเตือนรูดซิบ ป, ปาก สักคำก็ไม่พูดวงเล็บปิดคือจริงๆเขาเขามาเตือนเนี่ยเพื่อให้พูดน้อยๆอย่าพูดมากนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องคนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ฟังโดยที่มีมัชชิมามีความรู้รู้จักประมาณแล้วก็ฟังให้มันตรงประเด็นคนนี้ฟังแล้วก็เออจะได้สํารวมสังวรกระวังเวลาจะพูดจาอะไรก็จะได้ พูดให้มันน้อยลงมาหน่อยจากที่ปกติพูดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอมาพูดอย่างนี้เนี่ยจิตข้างในมันไม่ยอมเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยที่พูดปกติพูดดีแล้วพูดขนาดนั้นอะ่ะเยอะขนาดนั้นดีแล้วเพราะฉะนั้นพอมาบอกว่าคุณพูดน้อยๆสิมันจะได้ไม่ไม่เกิดเรื่องไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะไม่ต้องยุ่งยากคนนี้เนี่ย มันก็เลยผลักออกมาเลยไงมันก็เลยต้านออกมาพร้อมพอบอกว่าคุณพูดน้อยๆหน่อยนี่ดีแล้วไม่ต้องพูดเลยมันก็ประชดประชันไปอย่างเงี้ยไม่พูดเลยอกิเลสทั้งนั้นอ่ะนะไอ้พวกเนี้ยอัตมาถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะถ้าเราพยายามจับจิตเราจับจิตเราโอ้โหคุณอย่าคิดว่าคุณเห็นกิเลสกันง่ายๆจริงๆมันเห็นยาก ยากแสนยากบางทีเราทําอะไรหลายอย่างเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยจากไอ้นักจากหนังสือเล่มเลียนะเขายกตัวอย่างมาเยอะเนี่ยทำให้เราเห็นรายละเอียดเพราะว่าไอตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยทาให้เราเห็นรายละเอียดของจิตเราเนี่ยได้มากมากว่าโอหลายอย่างที่เราทําไปเราไม่เคยนึกว่าอ๋อมันจะเป็นกิเลสไอตัวนี้ของเราเหรอมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้นึกจับไม่ทันอย่างบางคนเนี่ยขนาดอย่าว่าจะจับไม่ทันเลย ขนาดคนอื่นเห็นแล้วเนี่ยไปบอกให้เขาฟังไปอธิบายให้เขาฟังมาเนี่ยคุณทําอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้บางทียังเถียงกลับเลยไม่จริงอ่ะ <c oughs> ไม่จริงอ่ะที่ฉันทําไปอย่างนั้นนะฉันไม่จะไปชดนะจะไม่ได้แกล้งเขานะอะ่ฉันทําไปเพราะว่าฉันคิดว่าทําอย่างนั้นนมันดีแล้วมันเหมาะแล้วสําหรับเขาอะ่ะจะได้สอนเขาด้วยจะได้อ่าเขาจะได้วันหลังเนี่ย ทำอย่างนี้ไปแล้วเขาจะได้ดีกว่า น, นี <c oughs> ค้คือคือคือมองออกไปข้างนอกตัวเองหมดอ่ะเข้าใจไหมคือมองกิเลสตัวเองไม่เห็นแต่ว่าจะเอาแต่มองกิเลสคนอื่นแล้วที่บางทีไอ้ดื้อรั้นที่จะทำไปอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าทำเพื่อคนอื่นแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงนะี่ยทำไปตามกิเลสตัวเองที่มันดื้อ ม, มันไม่ยอมแต่จับกิเลสตัวเองไม่ได้ว่ามันดื้อแล้วนะมันไม่ยอมแล้วนะมันจะเอาชนะเขาแล้วนะ มันมันมันมันมองไม่ออกแต่พอมองกิเลสก็มองไปคนอื่นทุกทีเลยวหนนั้นนะฮะคนอื่นน่ะดื้อคนอื่นน่ะไม่รู้เรื่องคนอื่นน่ะไม่ยอมมันจะกลายไปอย่างนั้นนะอาจารย์ที่บอกคนเราเนี่ยมันมะมันชอบจะมองกิเลสคนอื่นแต่มักจะมองไม่เห็นกิเลสตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมที่มันมองไม่เห็นมันเหมือนกับเขาบอกว่าอะไรอ่ะบางทีใส่หมวกอยู่บนหัวมองหาหมวกใหญ่ มันมันอะไรอ่ะบางทีมันเหนือความขาดขาดคิดก็เลยมองไม่เห็นเนีเหรือบางทีเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะคนเรามักจะมองปลายจมูกตัวเองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะต้องต้องแบบว่าแมต้องต้องตั้งใจอ่ะต้องตั้งใจเล็งปลายจมูกถึงจะมองเห็นปลายจมูกตัวเองแต่ปกติแล้วมันมันไม่ได้มอ ง, ท, งทั้งทั้งที่ตาเราเนี่ยมันจะต้องผ่านปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมไอ้สายตาเรา แต่มันไม่ค่อยจะสะดุดปลายจมูกเราเองอ่ะมันไปสะดุดคนอื่นไปสะดุดไปสะ ด, ดจมูกคนอื่นเขาแต่จมูกเราเองนี่มันไม่ค่อยสะดุดอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นะเพราะอันนี้เป็นเป็นแง่คิดให้กับพวกเราที่เออพระพุทธเจ้าถึงได้พยายามเนี่ยท่านถึงได้เตือนไม่ให้มองตนมองตนเรานี่ให้มากไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่ว่าจะโกรธ เ, เกิดเรื่องอะไรขึ้นมา ให้มองมาที่ตัวเราก่อนอย่าเพิ่งเที่ยบไปมองคนอื่นเขาแล้วคนนั้นหละถึงจะแก้ปัญหาได้ดีแล้วกแก้ปัญหาได้ถูกต้องมันเป็นสัจจะอย่างนี้นะอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งบางรายให้ทำงานบางอย่างพอถูกเตือนนิดหน่อยพานเลิกทาหมดวงเล็บวิธีนี้ในสังคมใช้กันเยอะนะก็เหมือนกันเนี่ยให้เรานึกนึกถึงย้อนบทเพลง ต, ต, ตัวเราเอง ว่าเออนะมีบางทีเนี่ยหลายครั้งเลยเราอย่างนี้แหละพอรู้สึกว่าไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจเราไม่ทำซะเลยจะดีกว่าไม่ทำซะเลยจะดีกว่าทาั้งๆ้งที่จริงๆพอจะช่วยเขาก็ช่วยได้อยู่เข้าใจไหมพอจะช่วยได้อยู่ฝืนใจได้ไหมฝืนใจพอได้อยู่แต่มันไม่ยอมอ่ะตอนนี้มัน มันยาวชนะคาคาแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ช่วยเลยดีกว่าปล่อยปล่อยให้มันทําเองไปจนตายมันทำไปให้มันทำบวชทม่บวชตำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่บางทีเราก็เออพอจะไปช่วยเขาได้แต่เราไม่ช่วยแล้วไม่คิดจะช่วยแล้วไว้อันเนี้ยไปสังเกตกิเลสตัวเราเองนะคุณคุยกับผมระวังหน่อยอย่าเพ้อเจ้อมากเกินไปนะวงเล็บรายนี้ก็เลิกพูดเลยไม่ยอมเข้าหน้า เอออาจมาอยากจะฝากให้เราเนี่ยลองสังเกตดูนะดูจากตัวเราเองเนี่ยนะเราจะไปเห็นไหมว่าตอนไหนเราเกิดสภาวะจิตยังไงมันถึงได้เกิดไอ้ตัวอย่างทำนองนี้ขึ้นมากับตัวเราให้ไปสังเกตดูแลจับให้ได้ว่าว่าหลายครั้งหลายหนไหมที่เราเนี่ยเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาอย่างนี้แล้วเราแก้ยังไง คือคือคือคือไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยจากที่การตัดสินใจคิดแล้วเร า, เร า, เราทําไปเนี่ยผลไม่ออกมาเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้เลยว่าใครเอ่อตัวเราเองเนี่ยช่วงไหนที่เราหยาบหยาบอย่างเช่นเราโดนเราโดนอารมณ์ต่างๆควบคุมอย่างเช่นกามมั่งอย่างเช่นโทสะมั่งหรือว่ามานะมั่งครอบงํามากๆเราสังเกตดูส่วนใหญ่ตัดสินใจลงไปเนี่ยมักจะตัดสินใจแบบ โครม ค, คือมันไม่มีปณบนอมมันจะไม่มีลักษณะที่เรียกว่าอะไรล่ะเออมาตกลงกันแล้วก็ยังไงนะแบง่งอะไร <Okay. S 1> ะภาษาอาจจะใช้คำว่าพบกันครึ่งทางแต่ความจริงบางทีมันไม่ได้ครึ่งทางหรอกแต่ว่าอย่า ง, งน้อยๆมันจะมีตัวที่คล้ายๆว่าอะไรอะแลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนกันแม้แต่เรื่องเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวพวกนี้แต่ถ้าตอนไหนจิตเราหยับหยาบหรือหรือคุณสังเกตคนที่หยับหยาบก็ได้คนที่หยาบหยาบเนี่ยคุณไม่ค่อยมีปณิ ป, น, ปนอมอะไรคุณจะเห็นชัดเพราะว่พอมีปัญหาหรือว่ามีอะไรเนี่ยนะถ้าสะใจนี่ก็พุ่งเต็มที่เลยทําเต็มที่ทําเวอร์ทำเกินเลยสั่งห้าทำร้อยเลย ถ้าพวกที่ห ย, ยาบหยาบแต่ถ้าอันไหนไม่เอาเนี่ยคือกว่าทิ้งเลยคือไม่ทำวัดเด็ดตีนด้วยไงไม่ทำนะไม่ยอมหรือหรือจริงๆตัวเองทํามาอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกิขัดใจอะไรขึ้นมาปับ๊บจะไม่ต้องทำกันแล้วเลิกล้มกระดานอะไรอย่างเงี้ยจะมีลักษณะอย่างเงี้ยให้ไปสังเกตดูพวกที่ห ย, ยาบหยาบมากๆ จนกระทั่งถ้าจิตเราเนี hin, ่ยดีขึ้นจิตเราเริ่มละเอียดขึ้นเริ่มละเอียดขึ้นคราวนี้เราจะรู้ว่าไอ้จิตอย่างนั้นมันหยาบเข้าใจไหมวันข้าวเนี่ยเวลาทําอะไรมันมันจะเริ่มมีปณิปนอมมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปัญญามันมากขึ้นความฉลาดของฉลาดอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ฉลาดเชโกนะปัญญาที่เป็นญาณที่เป็นความรู้ดีความรู้ที่เป็นสัมมาเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นมันรู้แล้วว่าอย่างนั้นมันตรง ่างงั้มันใช้ไม่ได้มันเป็นสภาวะจิตที่มันมันอดรนทนอะไรไม่ได้มันก็อะไรอ่ะไม่ไม่บวกก็ลบอะไรไปเลยคนเราขั้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างั้นมันไม่ถูกมันใช้ไม่ได้จิตเรามันโต่งอย่างนั้นนะจนกระทั่งพอเราฝึกจิตเราดีขึ้นเรามีความอดทนมากขึ้น เรามีขันติมากขึ้นเนี่ยคราวนี้จะเห็นได้เลยว่าเออมันเริ่มชักจะปณิปร น, นอมากขึ้นชักจะยอมได้ขึ้นมาบ้างแล้วเห็นไหมไม่อย่างนั้นตอนหยาบอยู่ไม่มีการยอมมันยอมไม่ได้เพราะจิตมันมันหยาบจิตมันหยาบนี่คือมันจะเอาตามใจตัวเองอย่างเดียวถ้ากามขึ้นก็กามอย่างเดียวโทสะขึ้นโทสะอย่างเดียวมานะขึ้นมานะอย่างเดียวไปเลยสุดๆคั้วๆกันไปเลยแต่พอเราเริ่ม ปฏิบัติธรรได้ดีขึ้นมันจะมีตัวอดทนนะมันมีมีตัวที่จะสามารถจะข่มจิตได้บังคับจิตได้ซึ่งมันรู้ไว้จังมันสุดตรงใช่ไหมมันก็เริ่มที่จะยอมได้บางแล้วเออมันต้องยอมบังนะถ้ามันไม่ยอมแล้วมันมันไปด้วยกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้หรือเราเองเราก็จะโต่อยู่อย่างนี้จนตายเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้รู้ความจริงว่าเออมัชชิมาไม่ใช่อย่างนั้นมัชชิมามันต้องรู้จัก ที่จะลดไอ้ความรุนแรงนั้นลงเพราะเราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มลดความรุนแรงลงคราวนี้จะไปโกรธใครเราก็ไม่โกรธแบบสุดโต่งแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะถ้าเป็นโทสะทําไมต้องเอาเมตตาเข้าไปประกอบทําไมต้องเอาเมตตาเข้าไปขวางเข้าไปกั้นเข้าไปลังจิตโทสะไว้ก็เพื่อที่จะให้มันสมดุลนั่นเองนี่แหละนี่แหละคือการปฏิปนอมอะ ที่ต้อเอาเมตตาเนี่ยเข้าไปดึงล้างไอ้ตัวโทสะเอาไว้ไม่โทสะมันดึงไปโดนดึงไปสุดขั้วใช่ไหมมันก็อเอาเมตตาเนี่ยมาดึงโทสะกลับลงมากลับลงมาเพราะเนี่ยจริงๆลว้ล ว, นลวนแบบทาเพื่อที่จะทําให้จิตมันยอมได้โทสะมันถึงจะลดลงมาได้ไอ้โทสะลดนี่แหละคือการยอมของจิตเราอ่ส่วนเรื่องกามเอาอะไรมาดึง เอาอะไรมาดึงที่มันจะทําให้ยอมลงมาได้ไม่อย่างงั้นนะถ้ามันรักใครชอบใครมันโอ้ยมันก็อยากไปหามก็อยากไปใกล้ชิดมันก็อยากไปพูดคุยอยากไปติดพันผูกพันเอาอะไรมาดึงที่มันจะทําให้จิตมันยอมลดลงมาได้ฮะเอากระดานแร่ก็อสุภาษมั่งนะการหางมั่งใช่ไหมเพราะว่ามันดูดเงี้ะ กามเนี่ยมันดูดเพราะเราก็เริ่มรู้ว่าเออมันโต่งนะมันมันไม่พอดีนะอย่างงั้นเราจะแย่นะมันจะหลงหัวที่หัวต่าไปเลยนะมันไม่เห็นรากกันมันจะหลงเลยเถิดไปอย่างนู้นเลยเพราะมันก็รู้ก็ต้องหาทางที่จะเอามุมที่จะมาดึงล้งจิตไม่ให้มันโต่มไปอย่างนั้นได้เนี่ยนะแล้วมันจะต้องเห็นคุณค่าโดยใช่ไหมว่าคือก่อนอื่นต้องมีสมาธิที่จะเห็นคุณค่าว่าเออจิตอย่างนั้นมันหยาบคาย เรารู้เราก็ต้องลดกิตหยาบอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ต้องหามุมตรงข้ามเนี่ยที่จะมาดึงล้งจิตลงมาซึ่งซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้เห็นว่าเออถ้าเราไม่ยอมลดลงมานะถ้าเราไม่ยอมหาวิธีการใดมาดึงล้งจิตของเราลงมาแล้วมันก็จะโตงอยู่อย่างนั้นอันนี้ยิ่งถ้าเรื่องมาหนะน้านี่โอ้โหจัดเลย มาน้นีนเรื่องเอาชนะกันโดยตรงเรื่องประชดประชันเรื่องชิงดีชิงเด่นกันอย่างรุนแรงเลยละมานานี่เพราะพอเรารู้เราเข้าใจเราถึงจะเอาอะไรมาดึงมานาอ่ ะ, อะมานะาีกคือคือตัวยึดนี่แหละ ะ, ะ ม, มันจะเอาชนะอยู่อย่างเดียว นั่นแหละถ้ามันยึดก็ต้องหัดปล่อยบ้างหัดบางบ้างใช่ไหมที่จะมาดึงจิตเราถ้ามันคิดแต่จะเอาชนะมันก็ต้องหัดยอมแพ้บ้างที่จะมาดึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นมุมตรงข้ามที่มันจะมาดึงจิตเราลดให้ลดลงมาได้เอาถ้าคนสองคนขัดแย้งกันแล้วไงครั้งแรกเหมือนจะปณิวันอมอ่ะอ่ะยอมตาม ในที่สจะล่ำให้มาเข้าแนวความคิดของเราอย่างเดิมอ๋นนอ อ, อย่างน้อยตอนแรกที่เขายอมก็ต้องถือว่าเขาก็ยอมได้เข้าใจไหมถ้าถ้าจิตเขายอมจริงนะก็ถือว่าเขายอมลงมาบ้างกันอ่แต่ส่วนตอนหลังเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอ่าอีกฝ่ายยังยอมแล้วก็เลยได้เปรียบมันอาจจะขึ้นมาใหม่ก็ได้ นะก็เลยฉวยโอกาสที่จะอะไรอะ่ะคราวนี้ก็พูดให้เขามายอมเราซะเลยซึ่งคราวนี้นี่มันไม่ใช่ตัวยอมลยแล้วแหละคราวนี้มันก็เป็นตัวใช้กุสโลบายใช้อะไรอะ่ะใช้อุบายที่มันจะทําให้เขาต้องมายอมเราสั่งห้เท่ากับว่าอะไรนะเอาจริงๆมันต้องมันต้องอย่างนั้นแหละคือคือคือถ้าโดย ความถูกต้องเข้าใจไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องยอมเขาก่อนคือเราอย่าไปคิดว่าเขาต้องยอมเราเราต้องยอมเขาถ้าใครคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะเราไม่ยอมก่อนหรอกเพราะมันต้องคิดว่าเราต้องยอมเขาก่อน